ผูทวีสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนามาพบกับท่านฟังกันตามเคยนะคะเพื่อที่จะนําเอาธรรมะของพระาศาสดาที่ตรัสไว้เป็นพุท้ทวจนะนั้นมาให้ท่านพิบู์ได้ช่วยเปิดธรรมสาหรับเรื่องต่างๆที่ท่านทั้งหลายนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตของท่านได้อย่างแน่นอนเราไปกราดนมัส ก, การท่านพิบู์กันเลยนะคะนมัส ก, การกัะทัะ้งค่ะเจ้าบ้าน ค่ะวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีเคยทำสถิติไว้ไหมคะว่าเวลาที่หนาวที่สุดของที่นั่นเนี่ยอุณภูมิต่ำสักเท่าไหร่คะตั้งแต่มามาอยู่นี่ก็ประมาณเก้าองศาที่เห็นเห็นยังไม่เคยติดลบนะคะยังยังไม่เคยยังไม่เคยก็เก้าองศาสำหรับคนไทยนี่ไม่เบาทีเดียวใกล้ๆจะเป็นน้ำแข็งได้มันก็บริเวณ <laughs> ตอนช่วงที่อย่างทนอกวัดในเมืองเนี่ยอาจจะสักสิบเอ็ด 12ถ้าในในวัดในป่ามันก็จะสัก9องศาตอนช่วงที่มันต่ำสุดมีอยู่ค่ะฉันเห็น เ, เวลาอ่านข่าวเนี่ยเราก็ไม่เคยไปสัมผัสจริงๆนะคะถ้าอาจารย์เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเท ศ, ใ น, เทศในประเทศที่ท่านไปอยู่นี่เคยอุณหภูมิต่ตำติดลบมากๆัหมคะเคยไปที่นอร์เวย์แต่ไปช่วงที่มันฤดูหนาวมันค่อนข้างจะเบาบางไปแล้วก็ประมาณสักลบองศาลบสนี่ทุกทรมานไหมคะ คืออยู่นอยอยู่แต่ในบ้านเลยไม่ออกไปข้างนอกคือดีฉันดูข่าวตอนนี้เห็นที่นิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหลวงใช่ไหมคะของ อ, อเมริกาเนี่ยถนนเต็มไปด้วยหิมะแล้วพออ่านข่าวไปกลางๆไปเรื่อยๆเยนี่ยนะคะอุณหภูมิในบางแห่งของสหรัฐเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าลบถึงห้าสิบองศาในบางพื้นที่ของมอนแทนามินิโซตา แล้วเขาบอกว่าอากาศแบบนี้ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยสามารถเป็นแผลน้ำแข็งกัดได้ในเวลาแค่ห้าวิเท่านั้นดงนั้นการอยู่ในบ้านน่าคงสำคัญต้องระวังต้องระวังค่ะการที่สภาพดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนเนี่ยที่ฉันจำได้ว่าท่านเคยพูดว่าผู้ทูองได้ตรัสเอาไว้ที่ฉันจำถูกไหมคะเนี่ยมีเมีเรื่องคือถ้าเราพูดถึงความเย็นเนี่ยมันก็ต้องเปรียบกับความร้อน อออตอนนั้นพระรูปเจ้าก็เดินผ่านไปผ่านไปตามทางเนี่ยแล้วก็มีกองไฟใหญ่บึ้มๆอยู่พระรูปเจ้าก็ชี้ให้ดูว่ากองไฟใหญ่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับความร้อนของไฟนรกเนี่ยนะไฟนรกนี่มันร้อนกว่ามากเปรียบเทียบกับว่าแค่แค่กองไฟสมมติเราเอาไฟจากนรกอเวจีมหานรกเนี่ยจะมีไฟอยู่เอาไฟมาเท่าประมาณแค่ก้านขัวไม่ขีดแล้วไฟแค่เท่าก้านหัวไม่ขีดของอเวจีมหานรกเนี่ย สามารถที่จะไม่ฟืนนะฟืนที่ยังเปียกอยู่เนี่ยขนาดเท่าตึกใหญ่ๆสักหลังหนึ่งเนี่ยได้ภายในพริบตาเดียวนะคือคือมันร้อนแรงมากแล้วในนรกเนี่ยมันจะมีนรกที่เป็นความเย็นก็มีคือแบบเย็นแบบติดลบไปอย่างนั้นนะและ้วนรกที่เป็นไฟก็มีจะมีทั้งสองฝ่ายทั้งเย็นและร้อนคือพูดง่ายๆคือเจอความทุกข์ที่ไม่น่าพอใจมากๆนะี่คือเปรียบเทียบในนรกค่ะแต่ที่ดิฉันหมายความเนี่ย หมายถึงความประพฤติของคนถ้าหากว่าเป็นความประพฤติที่ห่างไกลจากธรรมะประพฤติชั่วเขอแพนนะคะมากๆกก็อาจจะทำให้สภาพดินฟ้าอากาศของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อ๋ออันนี้มีอยู่มีอยู่ค่ ะ, ะพูดถึงการอย่างสมมติความเย็นหรือความร้อนเนี่ยมันก็เกิดเพราะว่าจังหวะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ถูกเอ่อ อย่างที่ปีใหม่ที่ผ่านมานี่ก็คือเรามาอยู่ตำแหน่งเดิมเมื่อเราอยู่ปีที่แล้วนะตำแหน่งเดิมเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์แล้วช่วงที่เราหนาวก็คือโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์นตรงจุดที่คุณอยู่ถ้าช่วงที่คุณร้อนก็คือโลกอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ตรงจุดที่คุณอยู่นะซึ่งขั้วลกเหนือขัว้วลกใต้มันจะกลับกันอ่าทีนี้ไอ้ไอ้เพราะฉะนั้นฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยมันเกิดจากการที่มีวงรอบนะภาษาทางคําศัพท์ที่เขาใช้เขเรียกปริวัติเป็นวงรอบเป็นวงรอบ นะรอบปีรอบเดือนรอบฤดูนะหรือว่ารอบวันนะกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นอย่างนี้ก็ธรรมดาทีนี้วงรอบวงโคโจรทีเ่เป็นวงหมุนๆไปเนี่ยมันจะได้รับการกระทบกระเตือนจากบุคลนะบคลที่อยู่ในวงวงนั้นนะบุคคลที่อยู่ในวงวงนั้นพระเจ้าเคยเได้ยกพระสูตรนี้พูดถึงว่าถ้าสมมุติคนเราเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมนะคือไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือจะ ทำให้วงวงรอบของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะวงรอบของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปพราะวงรอบของโลกเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้ฤดูนะก็เปลี่ยนแปลงไปฤดูเปลี่ยนแปลงไปปีก็เปลี่ยนแปลงไปพอปีเปลี่ยนแปลงไปทิศทางลมก็ระสําระสายพอทิศทางลมระสําระสายเทวดาก็ระสําระสายพอเทวดาอยู่ไม่เป็นสุขทําให้ฝนเนี่ยก็ตกลงอย่างไม่สม่ําเสมอพอฝนตกลงอย่างไม่สม่ําเสมอ นะต้นพืชต้นข้าวอะไรก็แก่และสุกอย่างไม่สม่ำเสมอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอคนที่กินข้าวที่แก่และสุกอย่างไม่สม่ำเสมอก็ทําให้มีทุพพลภาพนะป่วยง่ายเป็นโรคง่ายมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดเยอะขึ้นอยาอะไรที่มันดีๆก็หายไปนะทําให้คนเนี่ยมีอายุสั้นลงสั้นลงตามสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํามากขึ้นมากขึ้นว่ายอย่างนั้นค่ะอันนี้เป็นพระพุธองตรัสไว้นะคะและที่ฉันเองในส่วนตัวเนี่ย คิดตามเยว่าน่าจะเป็นไปได้ท่านผู้ฟังก็ลองไปคิดกันก็แล้วกันนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามทำให้โลกนี้มีคุณธรรมความดีที่อยู่ในระดับที่มันจะเกิดความสมดุลที่ทำให้โลกของเราอยู่ได้นานๆไม่ถึงแก่การที่ อ, อยู่กันอย่างเดือดร้อนเพราะว่าคนเป็นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ โรคเยนหรือโรคร้อนนอกจากคนแล้วเนี่ยคือถ้าถ้าคนในชนชั้นไหนด้วยนะคือถ้ายิ่งชนชั้นเป็นผู้ปกครองนักการเมืองข้าราชการเนี่ยยิ่งมีอิทธิพลมากแตนะถ้าชนพวกนี้เสื่อมก่อนปุ๊บประชาชนแน่นอนก็ต้องระสำนระสายตามกันไปหมดแต่นะทีนี้ถ้าชนพวกนี้ดีก่อนนะประชาชนก็จะค่อยๆดีค่อยๆปรับขึ้นได้อันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะยิ่งชนชั้นปกครอง ค่ะชนชั้นปกครองเราจึงควรที่จะสนับสนุนให้คนที่มีธรรมขึ้นไปเป็นชนชั้นปกครองใช่เราอยู่ในสังคมเราก็มีความรู้สึกกันนะคะว่าบางคนเนี่ยเขาจะรังเกียจความไม่ดีอความไม่ดีเนี่ยยังไงมันก็น่ารังเกียจโดยเฉพาะถ้าความไม่ดีไปอยู่ในคนซึ่งเป็นคนไม่ดีอการรงพระพุทธเจ้ารังเกียจนะคะคนไม่ดี พระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าคือคือคือคนที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยนะคุณหยมติ๋วเขาจะไม่ได้ขยะกขย ง, ขยงขเกลียดชังต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือว่าจะไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาต่อสิ่งที่น่าพอใจหรอกแต่ถ้าสมมติอย่างคนไม่ดีอย่างเช่นเทวทัศต์อย่างเงี้ยหรือว่าคนภิกษุที่ไม่ดีอื่นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้รังเกียจขยะแ ข, ขยงในตัวบุคคล น, นั้นนะแต่สิ่งที่พระองค์มีเนี่ยคือความละอายความกลัวต่อบาปฮิริโอตปะนะความชั่วความบาปอุ้ยกลัวละอาย เราไม่อยากจะเจอหน้ามันนะคือคือ <Okay. S 1> ไม่ใช่หน้าคนนั้นนะแต่ความ <Okay. S 1> ชั่วที่อยู่ในจิตของคนคนนั้นแต่นะประเด็นที่อาจมาต้อการจะพูดอย่างคนบางคนเนี่ยดีดีตอนที่ตอนทัววววววว่วไปเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ <Okay. S 1> พอเมื่อไหร่เขาอยู่ในในมีอํานาจในมือมีเงินมากขึ้นหรือว่ามีมีมีอำนาจในการบริหารจัด ก, การเนี่ยเออปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปคือคือคน <Okay. S 1> มันเปลี่ยนนะนั่นนั่นก็เคยเคยพูดถึงว่าลาบส ก, การะเนี่ยทำให้คนเปลี่ยน ในยก ต, ตัวอย่างปัญหาเทวทัศนตในสมัยพุทธกาลมีชัดเจนแต่เป็นคนมีศีลมีธรรมประพฤติ ส, สมณธรรมดีจนกระทั่งตัวเองได้ชานสมาบัติต่างๆแต่เพราะว่ามีลาบสการะเกิดขึ้นมากจนกระทั่งตัวเองเนี่ยหลงในลาบสการะทําให้จิตใจนั่นเน่ยวันวายไปตามมานที่มายึดครองนะมาในที่นี้คือกิเลสฌานพอเปลี่ยนปุ๊บอ้าวความชั่วต่างๆปรากฏยิ่งถ้ า, ามีหมู่คณะมากมีลาบสการะมากความเบียดเบียนที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ยิ่งเป็นวงกว้าง จึงต้องระวังมารที่มันจะมาเกาะกินหัวใจของเรากับลาบสการะที่มันเกิดขึ้น น, นั่นเองค่ะก็เท่ากับว่าถ้าเป็นพระพุทธองค์บังเอิญพระพุทธองค์ไม่ได้เหมือนพวกเราธรรมดาเป็นพระผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงแล้ววิธีการที่ท่านมีต่อสักพัสิ่งนะคะก็เลยเป็นไปตามธรรมใช่ไหมคะใชาอันนี้ดิฉนันตลงพยายามจะแปลว่าหมายความว่าท่านจะรังเกียจ ความชั่วอันนี้เป็นนมามธรรมถูกต้องและอยากให้เกิดความละอายเกรงกลัวต่อความชั่วความบาปแต่กับตัวบุคคลลคะสมมุติว่าเป็นพระในสังฆะเป็นคนไม่ดีในยุคพุทธกาลมีไหมคะที่เห็นวิธีการที่ท่านจัดการกับคนที่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นคนไม่ดีพระพุทธเจ้าจะข่มขี่นะข่มขี่ด้วยธรรม แล้วพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าตัวพระองค์เนี่ยหรือเราสาวกที่มีความสามารถเนี่ยสามารถข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นฆาสศึกให้ราบคาบไปโดยทําได้อั น, นี้มีผลประโน์นะคือคุณจะข่มขี่ความชั่วต้องข่มขีมันนะแต่ไม่ใช่ข่มขี่ด้วยอาทยาไม่ใช่ข่มขี่ด้วยศาสตราแต่ข่มขี่ให้ราบคาบได้โดยธรรมตัวอย่างท่านพระองค์กุลีมานตอนเป็นโจรโว้ยขนาดว่าพระเจ้าปเปเสนที่โกศลนนจะยกทัพไปปราบนะ ยังจะต้องใช้อาจยาต้องใช้สายตราก็ยังไม่สามารถจับจนองคุลีมารมาเข้าคุกได้แต่พระเจ้าเดินไปเท้าเปล่านะแล้วก็ไมไ่ต้องใช้ด่าไมไ่ต้องใช้อาวุธไม่ได้ใช้อะไรเลยก็สามารถที่จะข่มขี่ทรมานองคุลีมารให้กลับใจได้โนี่คือการข่มขี่ปรับวัฒนให้ราบคาบไปโดยธรรมไม่ต้องใช้อาวุธท่าน <ขอ S 1> <ร>ค่ะดิฉันอยากทราบค่ะว่าธรรมที่ท่านใช้ข่มขี่องคุลิมานั้นเป็นธรรมบทไหนคะ คือถ้าจะพูดถึงโดยรวมก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะคือคุณธรรมที่ที่เราต้องมีทีนี้ความสามารถในธรรมะที่พระพุทธเจ้ามีอีกอื่นๆที่นอกจากสาวกอื่นๆก็เช่นทราบความที่อิ on, นทะรีย์แก่อ่อนของบุคคล น, นั้นนะทราบว่าท่านพระองคุริมานมีช่องว่างตรงนีนะ้ตรงนี้สามารถเทศโปรดได้ให้เห็นผิดเป็นชอบได้นะซึ่งลอจิกในระดับความคิดของท่านพระองคุริมานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทราบ ทำให้บ่งบอกสามารถบอกได้ว่าเ อ, อจุดนี้ถ้าเ ท, ทตรงนี้แล้วท่านจะเห็นจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้แก้ความที่ไม่ดีตรงนี้ให้เป็นความดีขึ้นมาได้ตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าที่เข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงแคลนะคะพูดแล้วคนก็ฟังเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสเลยอมืมีความสามารถมีความสามารถค่ะทีนี้ถ้าอย่างอีกบางกรณีะคะ่ะสมมุติสมมุตินะคะ อย่างกรณีนี้เนี่ยบังเอิญองค์คุลิมานฟังแล้วก็องค์คุลีมามีโอกาสพบพระพุทธองค์แต่ในบางกรณีถหากาว่าคนที่ถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะได้พบคนที่มีคุณธรรมมาข่มขี่ด้วยธรรมเช่นนี้มีวิธีอะไรที่ปรากฏอยู่ในคําสอนไหมคะเอ่อ คงจะต้องให้เขาเป็นไปตามกรรมนะคุณโยมออกมาไม่สามารถจะบอกได้คือมันมีคนอยู่3าประเภทนะมีคนอยู่3าประเภทในโลกนี้คือคนประเภทแรกเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เขาก็ดีอยู่ตามปกติของเขาคนประเภทที่2คือถึงแม้จะได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้จะได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังชั่วอยู่นั่นเองก็ยังมีคนั้นแต่มีคนประเภทที่3คือต่อเมื่อได้เห็น พระพุทธเจา้าตอเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ถึงจะดีได้ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจา้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจา้าจะไม่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเห็นด้วยความกรุณาจึงเห็นแก่ บ, บุคคลที่สามนี้จึงต้องแสดงธรรมเพราะฉะนั้นถ้าช่วงจังหวะนั้นเขาไม่ได้ฟังก็ถือว่าซวยไป <c oughs> <c oughs> ไม่รจะพูดยังไงทีนี้อ ใกจะหมดเวลาที่ยังก็ขอขอบวนเลยกันแล้วกันนะะยังเข้าใจว่าที่ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยงั้นเป็นศูนย์เลยเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ไม่อยู่แล้วให้สบายใจได้ไหมคะว่าพระพุทธองค์ไม่อยู่แล้วนี่ไงที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยฟังธรรมะที่ตถาคตประกาศไว้แล้วได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังธรรมะที่ตถาคตรประกาศไว้แล้วตรงนี้ยังมีอยู่ข้อที่สองยังมีอยู่ ค่ะนะคะเพราะดิฉันอธิบายเพิ่มนิดในความรู้ส่วนตัวแล้วกันว่าได้ตรัสเอาไว้ก่อนปรินิพานว่าในการล่วงไปแห่งพระพุทธองค์หมายถึงเมื่อไม่มีพระพุทธองค์แล้วเนี่ยทำวินัยที่ได้ตรัสเอาไว้นี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเราก็ฉกเฉลยเอาไว้นะคะทุกวันนี้เรานั่งอยู่ ใ, ใกล้พระพุทธเจ้าแต่เราไม่รู้เราคิดว่าไม่มีเราก็เลยกราบไหว้ในสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆ ยกเอาไปไว้ในใจนี่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเลยกราบมหัศกรรขอบพระคุณท่านพิบูญเป็นอย่างยิ่งนะคะท่าน ฟ, ฟังที่ครบค่ะวันนี้ดิฉันโดนเตือนมาหมดเวลาแล้วลาสั้นๆเลยนะคะพุทัธสวัสดีค่ะ